มักเกิดความสงสัยๆมากมายและคําเช่นนิพพานสวรรค์นรกชาติก่อนชาติหน้าชาติหน้าเทพพรมเปรตอสุรกายเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีหรือไม่มี หรือเช่นเชื่อโรคมีจิตหรือไม่และนั่งสมาธิแล้วจะรู้เช่นก่อนจะปฏิบัติควร ไม่ละใดจะต้องนุ่งขาห่มขาวหรือไม่จะต้องสวดมนต์ก่อน ต้องให้ 9 มหาปัฏฐานก่อนเช่นมีครอบโครวที่สับสนมุ่นวายลูกยุ่งที่สับสนวุ่นวายลูกยุ่ง เช่นจะต้องนั่งสมาธิก่อนเจริญวิปัสสนาหรือไม่ถ้าจะทําสมาธิไปย้าย หรือสงสัยว่าสงสัยว่าถ้าจะนั่งควรนั่งเวลาไหนท่าไหนจงกรมหรือไม่หรือจะนั่งอย่างเดียวดีเช่น ทำอย่างไรเงียบไปทุกครั้งก็ไม่สงบเลยมีแต่เช่น นั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมีมดหรือแมลงมาไต่ตามร่างกายหรือสามารถรู้หลาย เห็นกลางคืนบ้างบ้างเช่นรู้วาระจิตผู้อื่นได้ระลึกชาติได้แล้วเช่นกลัว ตัวบางคนได้ยินเสียงคนเดินไปมาจะออกจากร่างเช่นเมื่อทําสมถะไป จะถัดจากนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าทําวิปัสสนาเลยทัดจากนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าควรจะทําวิปัสสนา จะต้องคือกายเวทนาจิตธรรมหรือไม่บางคนกลัวจะติดวิปัสสโนปกิเลสบ้างก็สนใจถ่ายถามกับๆก็เช่นควร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 คนนำธรรมบทนั้นบทนี้มนึกคิดพิจารณาด้วยเช่นควรเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อข่มราคะหรือไม่หรือจะให้รู้ราคะไปเรื่อยๆไม่ต้องไปแก้ไขมันเป็นต้นใครที่อยากจะทํา FAQ หรือคําถามๆเกี่ยวกับปัญหา มักวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้นั่นเองจะนอกเหนือไป ซึ่งท่านจะเมตตาตอบคําถามให้เสมอเมื่อหาย คำตอบเพียงเท่านี้สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติได้เกือบถ้านรก สวรรค์ชาติก่อนชาติหน้าผีสางเทวดามีหรือไม่มีไม่ความสงสัยก็ดับไปเองเมื่อความสงสัยดับไปแล้วพอจิตสงสัยก็รู้ เพราะการปฏิบัติธรรมไม่เวลาทำมาหากินไม่เกี่ยวกับอาหารเครื่องนุ่งเวลาหรือพิธีกรรมต่างๆเมื่อรู้ปัจจุบันธรรมอยู่ในกายและจิตของตนแล้วกลุ่มปัญหาเกี่ยว เพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้ามารู้ปัจจุบันธรรมเช่น เมื่อแล้วเห็นภาพผีปรากฏขึ้นมาอยู่แล้วเห็นภาพผีปรากฏขึ้นมาผู้ปฏิบัติไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์วิจัยว่าผีจริงหรือผีปลอมเพราะจริง สิ่งที่ปรากฏนั้นก็ไม่มีความหมายมาก รวมปัญหาเกี่ยวกับวิธีเจริญวิปัสสนาก็หมดหากจิตเข้าจะรู้สิ่งใดชัด เพราะหากจิตจะได้เค้าก็ได้ของเค้าถ้าไม่หลงลืมตัวขาดมีปัญหามากก็เพราะไม่พยายามรู้ตัว ปฏิบัติไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็น <c oughs> 23 กันยายน 2542